มันฝัง่งที่ครบคะรายการสันนิสนทนาอยู่ทางสถานีวิทยุเอครอบครัวข่าวสทอร้อยหแข่งนี้ที่ดิฉันสันนิษฐานะพงเป็นผู้ดำเนินรายการมีพระภิกษุสองรูปผ่านไปหนึ่งรูปก็คือพระมาชาควโรวัดนา ป, ป่าพงตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาพบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งซึ่งท่านอยู่ไกลถึงจังหวัดอุดรธานีแต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ทําให้ท่านให้ธรรมะกับเราได้ เป็นการให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของคำถามทางธรรมที่นำเอาพุทธวจนะคำพูดของพระพุทธองค์นั้นมาเป็นเครื่องการันตีเหมือนกับเราจะพูดถึงเรื่องของอกฎหมายอย่างนี้นะคะเราก็ต้องมีตัวบทกฎหมายมายืนยันว่าเขาบัญญัติไว้อย่างนั้นอย่างนี้เรามากราบในวสการพระ พ, พิบูลอภิปุโนนะคะจากวัดป่าดอนายโซค่ะนวสการค่ะท่านคะเชิญบอลค่ะในเกี่ยวกับเรื่องพุทธเจนตี คนะดีไหมดีคะ่ะท่านคะก็พระพุทธเจ้ า, าของเรานี้มีภิกษุสงฆ์จํานวนมากพรนะพระเจ้าเคยบอกว่าเหล่าพระพุทธเจ้ า, าทั้งหลายเนี่ยอก็ะจะบริหารงานคณะสงฆ์เนี่ยก็มีคณะสงฆ์เป็นจํานวนร้อยเป็นอนเนกนนะั้หลายพันทีเดียวอหลายพันคือหลายร้อยนะแล้วก็มีภิกษุสงฆ์จํานวนมากเนี่ยแต่ละท่านแต่ละองค์ก็มีพื้นฐานไม่เหมือนกัน นะบางคนเป็นเชื้อสายกระสัดบางคนเป็นเชื้อสายพรามก็ดับดีแหล่งต่างก็มีนะแต่มาบวชแล้วเนี่ยก็เสมอกันด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาอย่างนี้รพระเจ้าเคยฝันเรื่องนี้พระเจ้าเคยฝันว่ามีนกนั้นหลากสีบินมาจากสีทิศนะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมา เ, เขาเรียกว่าจอดลงอยู่ที่เท้านะแล้วกลายเป็นสีขาวทั้งหมดนะแล้วก็เคยจึงให้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าอ๋อจะมี แต่ละคนแต่ละแต่ละมาจากที่ต่างถิ่นกันเนี่ยมาบวชแล้วก็กลายเป็นสาวกของพระองค์ด้วยเสมอกันนะโกลนผมห่มเหลืองเหมือนกันอย่างนี้อันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าอะไรบอกว่าคำสองพระเจ้าเนี่ยมันก็จะมีระพระพุทธธรรมพระสงค์เนี่ยนะที่คอยที่จะให้คำสอนเนี่ยดำเนินไปได้นันะคือถ้าเราเอาที่เพึ่งซักอันใดอันหนึ่ง ในสมมติไปหาพระสงฆ์หรือว่าระลึกถึงพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าเป็นเป็นเรียกคุณธรรมนะคุณธรรมตรงเนี้ยอยู่ในใจของใครก็ได้นะถ้าคุณมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะก็ชื่อว่าเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเหมือนกันนะส่วนที่คนผมผมเหลืองนุ่งผ้าคลองนุ่มผ้าย้อมน้ำฝาดเนี่ยก็เรียกว่าภิกษุภนะิกษุอย่างนี้ก็มีเครื่องแบบมีวิธีการ ดำรงความชีวิตเป็นอยู่ก็อย่างหนึ่งก็ทําหน้าที่คนละอย่างกับคารวาสอุบาสกบาสิกาค่ะถ้าอุบาสกบาสิกาเป็นเหมือนกับว่ามีศีลมีคุณธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสงสาวกองพระผู้มีพระภาคเหมือนกันนี่นะค่ะนะคะก็สรุปแล้วคือว่าศาสนาของพระาศาสดาสัมมาสังขุธเจ้าของเราเนี่ยเห็นคนเข้าเทียมกันถูกไหมคะในเรื่องของศีลสมาธิปัญญา เรื่องของศีลสมาธิปัญญาซึ่งเรซินเข้าใจว่าคนที่อาจจะมีความรู้สึกว่าชีวิตที่มันต่าต้อยต้องศึกษาธรรมะเยอะๆเลยแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเราสามารถจะตะเก็ดตะกายให้ชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ในระดับที่มีมาตรฐานพัฒนาขึ้นเพละเพล อ, อาจจะพัฒนาสูงกว่าคนที่เราเคยรู้สึกว่าต่าต้อยอค่ะใช่คือที่ททอาตมาต้องบอกว่าเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ย ที่คุณโยมติบอกว่ามีสิทธเท่าเทียมกันเนี่ยคือมันเท่าเทียมกันในเรื่องศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าบางทีเครื่องแบบสถานะอะไรต่างๆอาจจะไม่เท่าเทียมกันนะอ่แต่ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยวิมุตติเนี่ยคุณเท่าเทียมกันได้ค่ะอืคือเหมือนกับเดี๋ยวเมื่อคนจะรู้สึกมั่นคงขึ้นจริงๆนะคะคือเหมือนกับว่ามองมองมนุษย์นี่ไม่ได้มองแล้วดูถูกเขาด้วยนะแต่มองแบบเมตตาต่อกันมีพรวิหารศีลเพื่อนมนุษย์มากขึ้นช่เมื่อเราเข้าถึง อ ม, มองลึกเข้าไปถึงจิตของเขาว่าจิตขเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วเส้นทางตรงนี้ใครๆก็พัฒนาได้นะขนาดเที่ยวนะ่ะว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยทําอนันตริยกรรมนะัคือฆ่าพ่อตัวเองเนี่ยพระพระุทเจ้าก็ยังรับเป็น อ, อุบาสก พ, นะพูดถือพระรัตนตรยัยนะยังรักษาศีลอยูนะ่แต่คือทําพลาดไปแล้วเนี่ยมันก็ ก, ก็ค่อยแก้ไขไปนะแต่ว่าชีวิตที่เหลือนี้ฉันก็ยังรักษาศีลได้ทําสมาธิได้นะไม่ได้มากแตยังพอได้อย่างเงี้ย ทั้งนี้และทั้งนั้นนี่ไม่ได้หมายความว่าให้เข้าถึงธรรมะเพื่อนำไปข่มคนที่เรามองเราว่าแหมพวกนี้ศีลศีล น, น้อยกว่าเราอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเป็นการที่จะทำให้เรารู้จักว่าการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่านั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ทุกคนสามารถทำได้เสมอกันหมดอยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่าถูกตอ้องท่านพีบูญคะ่ะทน่นก็ จะกลับเรียนท่านฟังที่ฟังรายการซึ่งมันเกี่ยวกับธรรมะอยู่สักนิดหนึ่งว่าอยากให้สนใจในเรื่องของบ้านเมืองเขากำลังจะนำเสนอร่างกฎหมายอุปธรรมและคุ้มครองพระพุทธศาสนาของสำนักพุทธของพรรครัฐบาลและของพรรคฝ่ายค้านคือประชาธิปัตย์นะคะเขาบอกว่าร่างพรบรสมฉบับเนี่ยมีโทษทางอาญาอยู่ด้วยและค่อนข้างหนักก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ กันว่าข้อกำหนดพวกนี้ละเมิดรัฐธรรมนูญแล้วก็สิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างรุนแรงไม่ลงรายละเอียดในที่นี้แต่ก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะศึกษากันด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้ดูซิว่าเอถ้าตามทำแล้วเนี่ยบัญญัติกฎหมายอย่างนี้มันจะทำให้ศาสนาของเราเนี่ยดีขึ้นหรือว่าจะถดถอยเดเข้าใจว่ามันน่าจะเกี่ยวกันนะคะ ถ, ถ้าถ้าจะพูดถึงสิ่งที่เป็นพุทชนาสนะนะในเรื่องของสิทธิของประชาชนทั่วไปใช่ไหมผู้ชู้ก็พูดถึงสิทธิที่สามารถปฏิบัติตามธรรมะได้ ค, คือธรรมมาทิปไต่คือปฏิบัติตามธรรมถ้าคุณปฏิบัติผิดจากธรรมะนัต่อให้คุณพวกมากก็ถือว่าคุณไม่ถูกตอ้อง ค, คือไม่ใช่ว่าพวกมากลากไปได้นะคือคุณโหวตลงคะแนนเสียงกันอย่างเงี้ยไอ้พวกเห็นว่าฆ่าสาัตว์ดีเอ้า ก็มันฆ่าสัตว์ไม่ดีแล้วคุณลงคะแนนเสียงต่อให้คุณชนะคะแนนโหวตก็ค่าสัตว์ก็ยังไม่ดีอยู่ดีค่ะแต่ทีนี้สิทธิ์ที่ในเรื่องนี้คืออะไรปฏิบัติตามธรรมธรรมคืออะไรธรรมวินยัยใช่ไหมศีล ส, สมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณจะมีสิทธิ์ในการที่จะทําอะไรหรือจะไม่ทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาคือมรรคนั่นเองค่ะเหนือไหอถ้าเผื่อว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจว่าเออฉัน ไม่ไม่ร่วมด้ยวยหรอกหรือกฎหมายฉบแบบนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านก็ต้องพิจารณาตรงที่ว่าอยู่ในกรอบนี้ไหมศีลสรรมที่ปัญญัเนาะท <c oughs> ีนี้เรื่องบทลงโทษที่คุณโยมติวบอกว่ามีบทลงโทษรุนแรงเนี่ยนะ <c oughs> อะคือสมมุติคนไม่ปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามศีลคุณฆ่าสัตว์ <c oughs> คุณมโนผิดในการมด้วยมีกี่ตั้งหลายคนอแน่นอนคุณต้องได้รับการลงโทษนะสมัยปัจจุบันนี้เขายังลงโทษกันนะคือแบบจับขังคุกบ้างใช่ไหมอะไรเขามีอะไรอีกปรับบ้างอย่างเงี้ย อยู่อยู่ที่คดีแพ่งหรือคดีอาญามีพวกเถื่อนๆด้วยค่ะอืมคือค่าสามโศราะหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนเรื่องเนี้พระยาโยมเคยพูดเอาไว้ซึ่งผู้เช่ารับรองคํานี้ด้วยนะว่าขนาดอยู่ในขนาดอยู่ในโลกนี้เนี่ยยังโดนลงโทษขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงโลกหน้ายิ่งหนักกว่านี้ว่างั้นเพราะเราควรจะกลัวควรจะกลัวบทลงโทษต่างๆเหล่านี้อ ะะเพื่อะะเพื่ออะไรให้คนไม่ทําความชั่วหันมาทําความดีมค่ะคือเหมือนก็จริงๆแล้วทางทางโลกเนี่ยจะว่ากันไปเจตนาทุกคนก็ดีหมดอนะคะอย่าที่จะช่วยรักษาสังคมนี้เอาไว้ให้เป็นสังคมที่อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขซึ่งมันก็ไม่หนีแล้วค่ะของจริงก็คือธรรมะ น, น, นั่นแหละที่จะทําให้ทุกคนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะทีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ฝากเป็นประเด็นไว้ท่านพิบูลค่ะ คือเป็นเรื่องทันสมัยที่หลังจากเรามีการสามารถสร้างสังคมของเราอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตได้ที่เรียกเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ทำให้ติดต่อกันเป็นเครือข่ายใหม่เยอะแยะไปหมดเนี่ย น, นะคะเนส่วนใหญ่ก็เป็นเครือข่ายของคนมีชีวิตตอนนี้เขาออบอกว่ามันมีเว็บไซต์เปิดตัวใหม่ของอังกฤษชื่อ d ดดโซเชียล เขาบอกว่าแม้กระทั่งเราตายไปแล้วไอ้ตัวนี้มันยังอยู่ oh. ค่ะเป็น a ฟ e b o o k สำหรับคนตาย mm. ว่าอย่างนั้นเธอ mm. สามารถเชื่อมโยงไปยังสังคมออนไลน์อื่นๆได้สมมติว่าใช้ชีวิตตามความไม่ประมาท mm. ก็ไปใส่ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวเราเองไว้โดยตัวเราเองนะคะ oh. แล้ววันหนึ่งเมื่อเราตายไป คนเขาว่าจะเข้ามาเยี่ยมเราที่เราตายไปแล้วเสมือนกับเรามีชีวิตเราจะใส่วิดีโอวิดีโอะอะไรไปเยอะแยะมันเป็นความก้าวหน้าของโลกจะว่ากันไปมันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องธรรมานิดหน่อยนะคะท่านที่ว่าคนเนี้ยเขาไม่ประมาทไงคะหรือเปล่าคะมองมองแบบทำมองเห็นอะไรในนี้ยค่ะท่านคะคือว่าคนที่จ ะ, จะจะลืมหรือไม่ลืมเนี่ยอย่างอย่างนักนักสังคมศาสตรชาวอังกฤษเนี่ยเขาเคยทําวิจัยออกมาว่าเอแค่ประมาณ2ีสบห ของชาวอังกฤษเนี่ยที่จะสามารถจําชื่อย่าทวดของตัวเองได้ใน75เปอร์เซนี่ยจำไม่ได้ย่าทวดชั้นชื่ออะไรก็ไปถึงปู่ย่าตายายของพ่อแม่เราอ่ะนะจําไม่ได้ว่าท่านชื่ออะไรเซึ่งตรงเนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมเราเราจะจําชื่อใครสักคนใดคนหนึ่งที่ตายไปแล้วหรือไม่เนี่ยคือประเด็นคือว่าชื่อเราเนี่ยจะถูกลืมโดยเลนของเราเองไม่ถึงร้อปีนะคุณยมติวแค่ร้อยกว่าปีนิ ด, นดเดียวเองชื่อเราจะถูกลืมไปแล้ว แล้วคำถามว่าต่อให้มี Facebook สําหรับคนตายเนี่ยนะถามว่าไอ้ความที่เขาจะจําเราได้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณทําความดีไว้ไหมแต่ยังคนที่ทําความดีให้ประเทศชาติอย่างเงี้ยรัชการที่หอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่พ่อแม่ของเราโดยตรงใช่ไหมหรือว่ากรมพระยาดำรงราชินุภาพคือบุคคลสําคัญอ่าอบุคคลสาคัญนะทั้งหลายเนี่ยถ้าทําความดีเอาไว้นะเราจึงจําชื่อเขาได้ตั้งแต่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นปู่ย่าตาทวดอะไรกันนะเราก็เหมือนกันเราก็สามารถทําอย่างนั้นได้ และซึ่ง ค, ความดีตรงนี้คือปฏิบัติตามตามอริยมรรคไม่หยแปดดีแน่นอนค่ะแต่ถ้าพูดในลักษณะของโลกแห่งความเป็นจริงคือต้องพูดว่าพวกทำอะไรสุดๆดแว่ดีสุดกับบางทีเลวสุดมันก็คนนึกถึงอยู่เสมอได้ด้วยเหมือนกันนะอ๋อใช่ใ เ, เป็นตัวอย่างของความไม่ดีใช่<ล>ีนี้ผลผลมันจะเกิดขึ้นไงค่ ะ, คะสมมติว่าทาเราทำดีสุดผลที่เราจะได้รับก็คือไปที่ดีๆใช่ไม ถ้าทํเราเราทำเร็วสุดคนอื่นจำได้ก็จริงแต่ผลที่เราจะได้รับคือเราก็จะไปที่เร็วๆใช่ค่ะแล้วก็ใครเขาเปิดเข้าไปในแอ c เคาทของเราในโซเชียลเน็ตเวิร์เนี้ยส่วนใหญ่ถ้าเขาไปรับรู้ประวัติของเราเขาคงจะสาบแช่งตามด้วยนะ ค, ะคื อ, อไม่ตายไปจากการสาบแช่งของผู้คนสัทีเพราะฉะนั้นมันก็ ต้องพิจารณากันแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะคือเมื่อมันเกิดโลกใบนี้ที่มันจะต้องมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีอันนี้เกิดอันนี้ตายไปมีความคิดใหม่เกิดแล้วความคิดเดิมๆที่มันไม่เป็นอมาตะเหมือนกับคําสอนของพระศาสดาอย่างนี้มันก็ตกรุ่นไปเรื่อยๆ เ, เ, เป็นแฟชั่น fashion, แต่ว่าเห็นว่า เราน่าจะนําเอามาพูดถึงกันเพื่อที่ได้ให้ท่านรู้ว่าธรรมะเนี่ยเข้าไปจับได้ในทุกเรื่องใช่ใชเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของความตายเนี่ยถ้าสมมติเราเข้าไปดูเห็นคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตา ย, นนตายเราควจะมาเลือกว่าเฮ้ยตายาตัวฉันก็ต้องเป็นอย่างนี้สักวันหนึ่งคือไม่ไม่ใช่ว่าไปสร้างไอ้เขาอันหนึ่งนะแต่ว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวว่าเออตัวฉันต้องเป็นอย่างนี้สักวันหนึ่งแล้วก็ปล่อยวางซะให้มากอพูดถึงนะคะสมมตินะสมมุตินะ ม, ม, ตมีคนคนหนึ่ง อยากจะมี c อคเคาท์บนนี้ยดิฉันเนี่ยอยากจะมีแอ count ์บนนี้มาปรึกษาท่านไปบูนท่านไปบูนคะอดิฉันควรจะเขียนยังไงคะที่จะเป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็มันก็ไม่ผิดไปจากเรื่องของตัวดิฉันเองอ๋อก็กินความปกติของเราเรามีปกติยังไงที่มันเป็นทํานองคลองทำเราก็ใส่ลงไปอนะคือถ้าเราจะพูดถึงเรื่องดีๆในชีวิตของเรา ก็พูดถึงเรื่องดีๆของคนอื่นวันนี้ไปเจอคนนี้เขาทำดีอย่างนั้นวันนี้ไปเจอคนนี้เขาทำดีอย่างนี้อใส่เขาไปเลยพูดถึงเรื่องดีของคุนอื่นใส่ได้มากมายะเรื่องความชั่วของตัวเองก็ใส่ลงไปด้วยในความไม่ดีว่าตอนนี้ฉันทำผิดอย่างนี้นะตอนนี้ฉันทำผิดอย่างนี้แล้วฉันก็จะมาแก้ไขให้ถูกต้องนี่ก็จะเป็นสิ่งดีนะค่ะไอเข้าวันนี้มันก็มีความพิเศษอยู่ยานว่าตายไปแล้วก็ยัง เหมือนกับเขียนพินัยกรรมให้คนนั้นคนนี้เข้าไปเป็นผู้บริหารข้อมูลในแอคเคาท์ของตัวเองได้๋อค่ะส่วนมันจะเกิดความผลอย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่เราหันกลับมาพูดในเรื่องของโซเชียลมีเดียที่ใช้ในการเผยแผ่ธรรมะกันบ้างดี ก, กว่าอืมเจริญพั น, นค่ะท่านนอกเหนือจากําของตัวท่านเองของท่านเองนี่มีมีกี่ที่นะคะ ก็มีแค่เพียวธรรมะกับของลงดรดอทเท่านี้แหละสองนเพียวธรรมะดอทคอมก็ฟังรายการเราถ้าดอทคอมท่วนท่านก็เข้าไปจําแนกแจกแจงว่าท่านอยากจะเสพธรรมะในลักษณะใดมีลักษณะใดบ้างให้ <pie S 1> อยู่นั้นก็มีพอดแคสต์นะก็เป็นที่บันทึกเสียงเป็นบทความที่ถูกปิดผ้าออนไลน์บางทีคือเนื้อมันละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ไปพูดมากหน่อยในนั้นมีเวลาไม่จํากัดของเราเอง แล้วก็จะมีธรรมะแคชเป็นลักษณะวิดีโอเป็นภาพกราฟริกอธิบายการทํางานของอุปกรณ์ต่า ง, างๆเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอย่างนี้ก็มีแล้วก็จะมีข้อเขียนบางอย่างที่ธรรมาใส่ไว้เป็นประเด็นที่เราเกิดขึ้นในความสมาธิบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ ม, มีกี่ภาษาคะอก็แค่ไทยกับอังกฤษส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาไทยค่ะแม้ไทยกับอังกฤษนี่ก็พอแล้วคะ่ะเพราะว่าจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากรู้ว่า พระพุทธเจ้าสอนอะไรนะคะมาติดตามการนี่เป็นตัวอย่างแล้วก็ถือได้ว่ามีเว็บไซต์พวกเนี้ยเกิดขึ้นเยอะมากนะคะมีเพื่อนก็บอกดิฉันบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าเยอะแค่ไหนนี่ให้ลองใส่คำที่เป็นคีย์เวิร์ดไปเช่นคำว่าทำมาอย่างเงี้ยจะขึ้นมาเยอะเหลือเกินฉันก็ขออนุโมทนาทุกๆคนที่นี่ในการเสด็จทำในลักษณะนี้จะยังไงดีท่านเพื่อที่จะให้เราได้ประโยชน์อย่างเต็มที่อ๋อต้องเอามาใช้งาน ค, นะคือคุณจะอ่านคุณไม่อ่านเนี่ยอยู่บ้านคุณไม่ด่าใครก็ก็ดีละคุณไม่ด่าใครไม่ว่าใครไม่คิดร้ายต่อใครแต่คุณจะเปิดอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ได้ค่ะนะแล้วก็เราก็มาเรได้ปฏิบัติบ้างนะเอาธรรมะมาใช้งานเนี่ยที่สําคัญที่สุดทีนี้ข้อมูลเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายก็ดีนะในการที่เราจะเอามาแอพลายมาปฏิบัติทีนี้ก็เอามาให้มาถึงการปฏิบัติอย่างจริงจังก็จะเป็นการดีมากเลยค่ะนะคะอันนี้ก็เท่ากับว่าท่านทั้งหลายนะั้นแหะให้รู้เอาไว้พกักกันว่า เราสามารถที่จะเข้าถึงได้ในขณะเดียวกันเราไม่มีโอกาสเข้าถึงก็ไม่ได้พลาดหรอกที่จะเจริญในธรร ม, มนำเอาไปปฏิบัติเท่านั้นเองแล้วก็ในรายการเนี้ยเราก็นำเสนอคําสอนต่างๆนะคะเพื่อให้ท่านเนี่ยสะดวกกับการนําไปปฏิบัติอย่างเข้าใจเพราะว่ามีการเอาข้อสงสัยที่ควรจะมีมาถามกันด้วยวันนี้ต้องนมัสการขอบพระคุณท่านดุบูลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเินค่ะ กราบมหกรรการค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะรายการของเราจะหยุดพักสารทิตย์นะคะพรุ่งนี้ท่านก็นำเอาธรรมะเนี่ยไปใคร้ครวนมีหลายบทนะคะยกตัวอย่างเช่นสังขารไม่เที่ยงนะคะเป็นทุกข์เราจะได้ปล่อยวางได้และโอกาสที่เราจะปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้านั้นจะได้มีง่ายมากขึ้นติดตามรับฟังรายการได้ในวันจันทร์นะคะตั้งแต่ปีหเป็นต้นไป ส่วนท่านเพรู่นนั้นท่านไปรอท่านทั้งหลายอยู่ที่สถานีวิทีวยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสารอาทิตย์เวลาเดียวกันเลยนะคะมีโอกาสกระเปิดไปพบกันใหม่พุทธวัตรสวัสดีค่ะ